แต่ว่าความเป็นกาลยานมิตรนะจะอยู่กับพวกเราตลอดไปหลวงพ่อก็ยังอยู่กับเรานะาการได้ฟังทำก็ทำให้มีความรู้สึกแบบนี้เนี่ยอยู่เป็นระยะระยะแล้วก็ได้มีโอกาสฟังแล้วก็ได้ยิน ข้อทำหลายอย่างของท่านซึ่งทำให้เกิดข้อสังเกตขึ้นม า, าก็คือว่าในคำบรรยายของท่านหลายต่อหลายครั้งท่านจะพูดทำนองนี่นะว่าในทุก์มีความไม่ทุกในโกรธมีความไม่โกรธนะในหลงมีความไม่หลงเปลี่ยนนะทุกให้กลายเป็นความไม่ทุก เปียนโกรธใหกลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนลงให้กลายเป็นความไม่หลงนะความทุกข์มันทำให้ไม่ทุกข์ความโกรธทําให้ไม่โกรธความหลงทาให้ไม่หลงพวกเราที่ฟังคำบรรยายของท่านจะสังเกตได้ว่านี่เป็นถ้อยคําหรือข้อความที่เราได้ยินจากท่า น, นยอยู่บ่อยและถ้าเราสังเกตให้ดีก็จะพบว่าครูบาอาจารย์ท่านอื่นจะไม่ได้พูดทํานองนี้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 ของท่านแต่เกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติเกิดจากสภาวะธรรมที่ท่านได้เห็นแล้วก็ได้เข้าถึงในทุก์มีความไม่ทุกนะในกลัว ม, มีความไม่โกรธในความหลงมีความไม่หลงข้อความหรือความพูดแบบนี้มันบอกอะไรเรา มันบอกให้เราเด็ดตนักว่าความทุกข์ก็ดีความหลงก็ดีความโกรธก็ดีเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดแต่จริงแล้วเนี่ยตลอดแสวงหาความไม่ทุกข์แสวงหาความรู้ความรู้ตัวหรือว่าแสวงหาความไม่กลรธความสงบ ก, ก็หาได้นะจาก ความทุกข์ความหลงความโกรธนั่นเองผู้คนมักจะเข้าใจว่าเนี่ยไอ้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําจัดความโกรธเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดความหลงเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดแต่หลวงพ่อท่านพูดอีกแบบหนึ่งนะก็คือว่าไม่ต้องกําจัดหรอกเพียงแค่ดูให้ดีๆนะในความทุกข์ก็จะมีความไม่ทุกข์ในความโกรวก็จะมีความไม่โกรธในความหลงก็จะมีความไม่หลง นักปฏิบัติธรรมจำนวนมากก็มองไอสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดต้องทําลายซึ่งก็นําไปสู่การกดข่มนะเวลามีความโกรธมีความเอ่อความโุนธก็พยายามกดข่มเอาไว้ซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์นะในสําหรับคนที่ต้องการทําความดีเราต้องการทําความดีแล้วต้องการรักษาศีล เวลามันมีความโกรธความโลภความหลงก็ต้องกดข่มมันเอาไว้เช่นอยากจะทำร้ายใครอยากจะด่าใครอยากจะขโมยของใครต้องกดต้องข่มเอาไว้โดยอาศัยขันติคือความอดทนความอดกลัน้นอันนั้นมันเป็นสิ่งจาเป็นพื้นฐานสำหรับการทำความดีแต่หลวงพ่อนะท่านสอนให้เราเนี่ยก้าวไป สูงกว่านั้นมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่ทำดีแล้วก็ละชั่วนะแต่ว่าฝึกจิตนะให้เห็นความจริงนะเพราะความจริงอันเกิดจากความจริงที่เข้าถึงด้วยปัญญาเท่านั้นนะที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้และการที่จะมีปัญญาเช่นนั้นได้เนี่ยมันก็ต้องมีความ ต้องเริ่มต้นจากการที่เห็นเห็นความจริงที่ปรากฏในลักษณะต่างๆรวมทั้งความจริงที่มาในรูปของทุกข์มาในรูปของความกลวัวความหลงเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถจะสอนธรรมให้กับเราได้เมื่อมีทุกนะแทนที่จะกําจัดทุกนะก็มาพิจารณาทุก์ก็จะเห็นความไม่ทุกนะ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 เราก็จะเข้าถึงได้ก็จากการที่เรามองทะลุมองทะลุเปลือกมองทะลุเนื้อนะจนก็ต้องไปเห็ น, มนเมล็ดมันอยู่ด้วยกันนะทุกข์กับความไม่ทุกเนี่ยเมื่อเราพิจารณาความทุกเราก็จะเห็นว่าอะไรคือสาเหตุของความทุกข์แล้วเมื่อนส่ของความทุกข์สาเหตุของความไม่ทุกข์มันก็แสดงตัวคู่กัน เวลาเราโกโรธแทนที่เราจะกดข่มมันเราลองดูความโกโรธเราก็จะเห็นว่าขณะที่จิต ก, กาลังร้อนเนี่ยร้อนรนเราจะเห็นไฟที่มันเผาใจให้ร้อนไฟนั่นคืออะไรคือความโกโรธเวลาเรามีความอยากแล้วเราร้อนอยากจะได้เนี่ย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 หรือว่าหนักอกหนักใจเราก็จะเห็นเราก็จะพบว่าสายแห่งความไม่ทุกนั้นคืออะไรมันบอกในตัวเพราะฉะนั้นในอริยรรสัจส์่เนี่ยเวลาท่านพูดว่าทุกมีทุกแล้วก็มีสมุดไทยคือสายแห่งทุกแล้วก็ดิโลดคือสิ่งที่ตรงข้ามกับทุกคือความไม่ทุกเนี่ยข้อที่สีแทนที่จะเป็นสายแห่งความไม่ทุก เหมือนข้อที่2ที่เป็นสายแห่งความทุกข์กลับไม่ทําไม่พูดถึงสายแห่งความไม่ทุกข์หรือสายแห่งแห่งนิโรธไม่พูดเลยเพราะมันเฉลยอยู่ในตัวแล้วจากสมุทัยนะสมุทัยคือสายแห่งความทุกข์เมื่อเห็นสายแห่งทุกข์มันก็บอกในตัวแล้วว่าแล้วถ้าจะไม่ทุกข์มีสาเแหกจากอะไรก็คือตรงข้ามนะทุกข์เพราะตัณหาทุกข์เพราะมานะัททุกข์เพราะทิฏฐิ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 สาเห็นความไม่ทุกข์หรือสายเห็นนิโรธแต่พูดถึงวิธีการที่จะทาให้สายเห็นนิโรธนั้นเกิดขึ้นได้เจ้าคือระยะมัสมงแปดนั้นที่หลวงพ่อท่านพูดอยู่เสมอว่าในทุกเนี่ยมันมีความไม่ทุกเนี่ยมันมีความสาคัญมากมันเป็นการเชื้อเชิญให้เรามองมองความทุกข์ไม่ใช่กาจัดทุกข์ซึ่งก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสว่าทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องลั รู้เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้ในที่ท่ฉนใช้ว่าปริญญาปริญญามันก็คือการเห็นการรู้รอบนั่นเองรู้เพราะเห็นเห็นความจริงก็เกิดปัญญาขึ้นมาเอาใหเวลาเรามีความทุกเนี่ยนะอย่าไปคิดแต่จะกําจัดมันตะพื้นตะพื้นะให้ลองกลับมาเฝ้าดูหรือเห็นมันเราก็จะเห็นความไม่ทุก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 มันทิ่มตัวมันทิ่มมืออันนั้นเรียกว่าคนโง่คนชลาคือว่าต้องเฉาะ่านทะลวงเปลือกที่มันหนาและคมเราก็จะได้เมล็ดได้เม็ดที่อร่อยในทุกนั้นมันมีธรรมที่ซ่อนอยู่เหมือนกับเมล็ดที่มันซ่อนอยู่ในอยู่ภายใต้เปลือกแล้วก็เนื้อ ของผลไม้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องทําลายและการที่หลวงพ่อได้พูดว่าเปลี่ยนทุกข์ให้กลายเป็นความไม่ทุกขนะ์เนี่ยเปลี่ยนโกรธให้กลายเป็นความไม่โกรธเปลี่ยนหลงให้กลายเป็นความไม่หลงเนี่ยมันก็บอกอยู่เหมือนกันว่าทุกข์และความไม่ทุกข์เนี่ยมันมันไม่ได้อยู่ตรงข้ามกันแบบที่เรียกว่าอยู่คนละขั้วเลย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 เวลามืดมืดเนี่ยนะเรานึกว่าไม่มีแสงนะแต่ว่าสาหรับหนูแล้วเนี่ยเขาเห็นชัดเลยพอสาหรับหนูแล้วเนี่ยในความมืดของเราเนี่ยมันมีแสงสว่างอยู่มันอยู่ด้วยกันทุกข์กับความไม่ทุกข์มันก็อยู่ด้วยกันแต่เปรียบได้เหมือนกับมือซ้ายกับมือขวามันอยู่ด้วยกันเหมือนกับหน้ามือกับหลังมือนะขอโทษพูดผิด เมือกันหน้ามือกันหลังมือคือด้วยกันถ้าเรากําจัดหน้ามือหลังมือก็หายไปด้วยถ้าเรากําจัดทุกนะมันก็คงไม่พบธรรมะหรือไม่พบความไม่ทุกสิ่งที่เราทําเพียงแต่พลิกเท่านั้นเองเปลี่ยนทั่วกลายเป็นความไม่ทุกข์ก็คงไม่ต่างจากการพลิกหน้ามือให้กลายเป็นหลังมือหรือว่าพลิกหลังมือกลายเป็นหน้ามือ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 แต่ว่าจะเปลี่ยนได้นะเปลี่ยนข้าวถิกลายเป็นข้าวสุกได้มันก็ต้องใสยความร้อนตัวอย่างที่ชัดเจนนะคือเปลี่ยนขยายกลายเป็นดอกไม้ขยะกระดอกไม้ที่ดูมันตรงข้ามกันเลยนะแต่ที่จริงเนี่ยมันเกื้อกลูลกันมีดอกไม้ก็เพราะมีขยะจากจขยะจะทำให้กลายเป็นดอกไม้ได้เนี่ย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 ถ้า ม, มีความรู้สึกตัวไม่มีความรู้ตัวหรือสติแล้วเนี่ยโกรธก็ยังเป็นโกรธอยู่ทุกข์ก็ยังเป็นทุกข์อยู่อันนี้มันมีนัยยะที่สําคัญมากนะเพราะว่าหลวงพ่อท่านชี้ชวนให้เราเนี่ยนะรู้จักใช้ประโยชน์จากทุกข์จากความโกรธจากความหลงแทนที่จะมองมันว่าเป็นของเลวรนะ้าๆที่ต้องกําจัดที่ต้องทําลาย อันนี้เป็นคำสอนที่แตกต่างจากครูบาอาจารย์ท่านอื่นและพ่อเองหลวงพ่อถึงพูดท่านพูดว่าความทุกข์มันทําให้ไม่ทุกข์ความกลัวมันทาให้ไม่โกรธความหลงทําให้ไม่หลงท่านผูดเช่นนี้เพื่อให้ไม่ให้เราเนี่ยรู้สึกลบนะต่อความทุกข์ต่อความโกรธต่อความหลงเวลามันเกิดขึ้นพอถ้ารู้สึกลบแล้วเนี่ยความเป็นกลางหรือว่ารู้ื่อซื่อเกิดขึ้นไม่ได้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 เรียนทุกให้กลายเป็นความไม่ทุกเหมือนกับที่เราเจอขยะแล้วเราไม่ทิ้งเราเาขยะเนี่ยมาทำให้เป็นดอกไม้เอามาทำให้เป็นปุ๋ยแล้วก็เกิดดอกไม้ขึ้นทุกมันก็เป็นปุ๋ยนะที่ทาให้เกิดธรรมแจม่มแจ้งในใจของเรานั่นสาระตรงนี้สำคัญมากนะที่อยากให้พวกเราได้พิจิารณามันเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อทีเดียวนะ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 ถ้าเราหมั่นดูมันถ้าเราดูหรือว่าสัมผัสกับความหลงบ่อยๆเราจะรู้ว่าความหลงหน้าตาเป็นอย่างไรอากัปกิริยาเป็นอย่างไรเมื่อเราเจอความโกรัวแล้วเราสัมผัสมาบ่อยๆในฐานะที่เป็นผู้รู้หรือผู้ดูเราก็จะรู้จักรู้หน้าคาตามันมากขึ้นก็จะจํามันได้ว่าออกความหลงหน้าตาเป็นอย่างนี้ความโกรัหน้าตาเป็นอย่างนี้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 กี่ครั้งนะที่ความโกรธมันหลอกให้เราทุกข์ความหลงมันหลอกให้เราทุกข์นะเพราะเราไม่รู้จักมันเพราะเราไม่รู้จำไม่ได้ในลักษณะอาการของมันการที่เราจำกษณะการณของมันได้เนี่ยภาษาบาลีพุทธิลักษัญญาเมื่อเราจำมันได้เราก็จะรู้ว่าอ๋อไอ้นี่มันไม่น่าเชื่อถือเพราะนั้นพอมันเกิดขึ้นอีกเราก็จะ ไม่เชื่อมาอีกต่อไปหรือเชื่อก็เชื่อเป็นครั้งเชื่อได้ประเดี๋ยวประดาเราก็หนีมันถอยจากมันก็ทําให้ใจเราเป็นอิสระใจเรากลับมาเป็นปกติและในการปฏิบัติเนี่ยหลายคนอาจจะเป็นทุว่าทําไมมันฟุ้งเยอะเหลือเกินทําไมมันหลงเยอะเหลือเกินให้รู้ว่านั่นแหละนะมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทําให้ใจเราเนี่ย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 ซึ่งก็ทำให้เราเข้าใจอ่าที่หลวงพ่อสอนว่าเนี่ยความหลงทําให้ไม่หลงได้อย่างไรความโกรธทําให้ไม่โกรธได้อย่างไรและความทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์ได้อย่างไรแต่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะแล้วเราก็จะเห็นไปเรื่อยๆอ๋อจริงๆแล้วนี่ความทุกข์ทำให้ไม่ทุกข์ได้อย่างไรซึ่งส่วนนึ้งก็ได้อธิบายไปแล้วว่าเนี่ยเมื่อเราได้พิจารณาเห็นความทุกข์บ่อยๆเราก็จะเห็นสายเหงของความทุกข์แล้วก็เห็นยาต่อไปถึงสายเหงความไม่ทุกข์ อย่าลืมว่าในสวิตไฟเนี่ยนะสวิต ท, ที่ทำให้เกิดความสว่างและความมืดคือสวิตเดียวกันสวิต ท, ที่ทำให้เกิดความมืดมันไม่ใช่คนละตัวกับสวิต ท, ที่ทำให้เกิดความสว่างมันอยู่ด้วยกันกดตรงนี้ก็ทำให้มืดกดตรงนี้ก็ทำให้สว่างไม่ใช่คนละตัวรูกุญแจนะที่ปิดล็อกให้เราหมดอิสระภาพ หรือรูกุญแจที่ใช้ขังเราก็เป็นรูกุญแจเดียวกันกับที่จะเปิดให้เราเป็นอิสระมันไม่ใช่คนละลูกันดังนั้นถ้าเราพิจรารณาแบบนี้เนี่ยก็จะพบว่าพู้พอมพิจรารณาแบบนี้ก็ทำให้เข้าใจนะเราจะเข้าใจนะสัญลักษณ์เห็นอย่างที่เราเห็นที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันตรงที่เก็บ ที่วางรองเท้าเนี่ย น, นั้นเรียกสัญลักษณ์ยินยังเนี่ยยินยางเนี่ยคือว่ามันมีดากับขาวอยู่ด้วยกันก็เหมือนก็ทุกข์กับความไม่ทุกข์อยู่ด้วยกันมันไม่ใช่แค่นั้นนะสิ่งที่ดูเหมือนตรงข้ามอยู่ด้วยกันพระเจ้าตรัสว่าความตายอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวความมีโรคอยู่ในความไม่มีโรค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 สำนวนเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นแค่สำนวนหรือพูดให้ดูหรูแต่มันมีนัยัตสหรับการปฏิบัติให้ถูกต้องเพื่อความเพื่อความพ้นทุกข์นะนันถ้าเราไม่เข้าใจาเราก็อาจจะปฏิบัติผิดพลาดได้แต่ถ้าเราเข้าใจมันจะช่วยทำให้เร า, ามีการปฏิบัติอย่างถูกที่ถูกทางมากขึ้นเ อ, อแล้ชอนนี้ก็พิกับระนนี้อครับครบ